พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่15หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าทำความดีขอนับหนึ่งจากข้าพเจ้าเออวันนี้ ทางกูบาควบคุมสถานีวิทยุของเราวิทยุ เ, เสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่านาคำน้อยร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตวันนี้จะได้ออกข่าวตอนเช้าทดลองอตอนเย็นอาจจะมีการสวดมนต์สวดมนต์เย็นของพระสงฆ์เพราะนั้นตอนเช้าวันนี้ก็เลยเป็นการท สอบทดลองดูว่าสถานีวิทยุของเราเนี่ยออกไปได้มากน้อยแค่ไหนคงจะกระใจายในท้องถิ่นอำเภอนายยงน้ำโสมแล้วก็สังคมในละแวกนี้แหละละแวก ส, สองสามสีอำเภอวันนี้กำลังขณะนี้รหลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยก็คือกำลังออกไป คณะนี้หลวงพ่อหลว ง, งพ่อวัดป่านาคำน้อยเนอคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานขอแจ้งข่าววันนี้เป็นวันที่26เมษายนพุทธศักราช2559เย็นนี้จะมีการสวดมนต์ที่ศาลาใหญ่ข้างนอกจะมีพระสงฆ์มาร่วมจเจริญพระพุทธมนต์วันนี้วันเย็นวันวันนี้นะตอนเย็น แล้วก็วันพุ่งในเช้าก็จะมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรเหมือนทุกปีที่ผ่านๆมาเพราะนั้นขอแจ้งข่าวให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบถวนจะใครจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไร เ, เพียงแต่หลวงพ่ อ, เ, อเปิดประตูกว้างาไม่ปิดประตูใครๆว่าแจ้งข่าวให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่า ได้รับรู้รับทราบทำไมเอหลวงพ่อของเราเนี่ย เ, เวลาจะใช้การใช้งานกับเร า, เาก็เรียกเรามาใช้ เ, เตว้เวล า, างานบุญงานกุศลหลวงพ่อทำไมปิดเงียบไม่แจ้งข่าวให้ลูกให้หลานได้รับรู้รับทราบเลยเลูกหลานบางคนก็อาจจะตําหนิหลวงพ่อได้ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงขอแจ้งข่าวให้กับคณะจทธาญาโจมลูกหลานทุกคนแต่มีการจัดงานไม่มีบัตรเชิญถ้าว่าผู้ใดถือว่าเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็เข้ามาร่วมมารวมแสดงน้ำจิตน้ำใจในการบุญการกุศลของวันที่ 26-27 ขอ่นั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเอ แล้วก็มีเจ้าภาพมาจากทา ง, ทางไกลที่จะมอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ใส่บาตรตักบาตรหลวงพ่อพระเนนในวัดของหลวงพ่อทุกวี่ทุกวันพี่น้องทางไกลเขาคิดว่าเขามาบอกกับหลวงพ่อว่าเขาอยู่ไกลไม่ได้มาตักบาตรไม่ได้มาทาบุญไม่ได้มาใส่บาตรของหลวงพ่อ แต่พี่น้องลูกหลานชาวบ้านเป็นผู้ดูแลวัดวาศาสนาเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ไสบาดตักบาดเลี้ยงพระสงฆ์ถวายพัะทหารพระสงฆ์พวกเราอยู่ไกลปีหนึ่งก็น่าจะมีการร่วมทําบุญกับพี่น้องลูกหลานเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการรวบรวมกันจทหายา จ, จมทางไกล จากจ่ า, จาตุรทิศรวบรวมจจตุ ป, ปัจจัยเสร็จแล้วก็ได้จะได้มอบของอของให้กับพี่น้องชาวบ้าน6หมู่บ้านารวมแล้วเป็น 900-981 ดเอชดแต่ทางคณะกรรมการพวกกลุ่มเขาจัดเป็ น, 1, นพันชุดนะพันชุดเพื่อเพื่อเรือเลือขาดขา ด, ข, าดอาของที่จะแจกมีอะไรบ้างมีเจรายการนั้นลูกหลาน ข้าวหอมมะลิ5กิโล5กิโลกรัมข้าวเหนียว5กิโลกรัมน้ำตาลทราย1ขวดน้ำตาลทราย1กิโลกรัมน้ำมันปลา1ขวดน้ำปลา1ขวดเชืออ1ตัวน้ำมันเหลืองอก็1ขวดรวมแล้ว7รายการ วันนี้พวกเมื่อชันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วให้มารับที่วัดนะบางคนก็พี่น้องประชาชนจั ก, กรยานก็ไม่มีกว่าจะเดินมาแล้วก็กว่าจะแบกของกลับไปบ้านก็เป็นเรื่องลำบากเพราะนั้นปีนี้พวกคณะกรรมการก็เลยให้เตรียมของไปไว้ที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้าน 6หมู่บ้านที่จะนําไปแจกนะก็บอกกันไว้แล้วหลักพอไปถึงก็คงผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงจะประกาศตามสายเครื่องขยายเสียงจากนั้นก็ให้พี่น้องมารับตามคูปองที่มีชื่อที่มีชื่อไว้แล้วนะอันนี้เขาขอแจ้งข่าวให้กับพระนัตถาญาติโยมลูกหลานเนินในท้องถิ่นในหมู่บ้านของพวกเรา มารับของปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวที่มารับของที่ระลึกจากน้ำใจญาติธรรมที่อยู่ทางไกลที่มาร่วมแสดงมุทิตาส ก, การะในวันเกิดของหลวงพ่อปีพศ2559ปีนี้หลวงพ่อก็อายุ5971้ 59, ปีนะลูกหลานนะ คนน่ะหลวงพ่อพูดหลงหน้าหลงหลังหลวงพ่อจะว่าห1สิบเอ็ดปีอีกต่างหากคนนะ <c oughs> อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะลูกหลานนะเนี่อปีเนี้ยปีห้าเก้าปีหน้าเนี่ยสิบสองห้าเป็นสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองปีหน้าเนี่ยเป็นปีใหญ่กว่าปีนี้นะอ า, อายุเจ็ดสิบสองปีครบหกรอบสิบสองหกเจ็ดสิบสอง เพราะนั้นปีหน้าถ้าว่าผู้ใดสุขภาพแข็งแรงกาลังกายกาลังใจแข็งแรงปีหน้านลูกหลานนะมาร่วมกันอีก <c oughs> ถ้าหลวงพ่อไม่ตายนะถ้าตายก็คงจะมาจัดงานศพอย่างนั้นเถอะอ้าวพระกรรมฐานต้องพูดอย่างงั้นอนะ่พะพาอเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติเราจะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อย่างไง เพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะและก็อีกหลวงพ่อก็ขอย้ําเตือนผู้ที่มาตั้งโรงทานที่มาทำโรงทานก็ขอให้ที่บุญมากๆลูกหลานมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแทนหลวงพ่อนะผู้ที่เข้ามาทั้งหมดก็คือญาติของหลวงพ่อทั้งหมดนะลูกหลานของหลวงพ่อเพราะนั้นพวกเราที่มาในงานกนะ็ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของหลวงพ่อด้วยมีอะไรก็เลี้ยงดูกัน อาหาร <c oughs> ผู้ใดมากับมีปากมีท้องมาด้วยเพราะนั้นพวกเรามาเอาบุญในจุดนี้อีกจุดหนึ่งผู้ที่ทำบุญทำทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากนันลูกหลานนะไปไปนัชสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ารวยเพลเหลายเพะอา น, นสงทานพระพุทธเจ้าท่านสวยพระชาติในพระไตรปิฎกนโอ้ ถาว่าชาติใดที่ได้เป็นเศรษฐีที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะตั้งโรงทานไว้ในสประตูสประตูเมืองสมัยก่อนเขาจะมีประตูกำแพงล้อมรอบเมืองของเขาเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศเขาจะมีประตูตเมืองนั่นพระเจ้าแผ่นดินเขาจะหรือเศรษฐีท่านจะตั้งโรงทานไว้สประตูเมือง เวลาแขกคนมาคนทุกคนจนมาหิวเอาหงหิวอาหารเดินทางาก็จะได้เลี้ยงเขาเลี้ยงคนเดินทางและก็อยู่ในกลางเมืองอีกหนึ่งหนึ่งโรงทานและก็อยู่ที่หน้า <c oughs> อยู่ที่หน้าประตูบ้านของตนเองอีกหนึ่งโรงทานอันนี้คือเป็นแนวแถวเรียประเพณีหรือว่าประเพณีของผู้ จะสั่งสมบุญกุศลไปสู่ประโลกภายภาคหน้าหรือว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเพื่อหวังมรรคผลนิพพานนี่แหละลูกหลานผู้ใดก็ตามนะมาสร้างโรงทานตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นแนวแถวของระยะประเพณีเป็นแนวแถวของพุทธนะในการเสียสละเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายมาช่วยการทําแต่ถึงยังไงก็จะให้นักใจนะ แต่ไม่ใช่ว่าการทําทานแล้วก็มีอะไรก็ทุ่มเทลงไปพอเสร็จการบุญแล้วก็ทะเลาะบวชแว่งกันอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันหรือว่าเมื่อทําไปแล้วทําให้จิตใจของผู้กระทํา อ, อไม่สบายใจอันนั้นก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะทําคล้ายๆว่าให้ดูกําลังกําลังของตนเอง เ, ออเมื่อทําลงไปแล้วทําเสร็จแล้วสบายใจมีความสุขใจในการเ อ, อ ทำทานนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลทน่นี้กลับไปถึงบ้านถึงเรือนก็เถิะทีไงบุญกุศลเหล่านี้แหละจะเครือกขูนหนุนพวกเราทาํามาค้าขายอันไหนก็ไม่น่าจะเกิดก็เกิดไม่น่าจะมีก็มีไม่น่าจะรวยก็รวยชท่นี่เพราะอะไรพราอว่าอานนี้สงทานอันนี้สงทําบุญทําทานของพวกเราเพราะฉะนั้นกอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเน้อที่มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้แล้วก็เย็นวันนี้ละ่ะ จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ก็พร้อมกันก็ผู้ที่จะมารักษาศีล5หรือรักษาศีลอุโบสถก็ให้มาพร้อมกันรักษาศีลได้แล้วก็่งนึกเช้าก็มีการเตรียมตัวตักบาตรทำบุญเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็คงจะมีของแจกให้ลูกให้หลานก็คือธรรมเทศนาหรือว่า MP3 มีของอะไรบ้างแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ถึงยังไงเ p ็มพีามีเตรียมไว้แล้วนะแต่หลวงพ่อก็คิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าให้ธรรมะกับลูกกับหลานคือให้อาหารการบริโภคก็ดีเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมันหิวพอมันหิวก็ต้องมีอยู่มีกินแต่เมื่อมีอยู่มีกินแล้วกนะ็ควรจะมีธรรมะเข้าสู่จิตใจอีกต่างหาก วิธีการวางตัวยังไงวิธีการหาเงินยังไงวิธีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้พวกเราก็จะต้องศึกษาอะไรเพราะว่าเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าสรุปแล้วก็คือกินอิ่มท้องแล้วก็ให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วไปอยู่นสถ า, านที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดน่นแหะ ถ้าเราเป็นคนเร็วคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วนะเอ อ, อ น, นั้นแหะหาความสุขไม่ได้นะลูกหลานนะเอาวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากแล้วมีแต่พูดแจ้งข่าวออการแจกของให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็พร้อมกันกออ็พวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้มาได้มาหรือไม่ได้มาออในวันเกิดในวัน นี้หรือวันพรุ่งนี้นะขขอให้พวกเราเป็นคนดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเนี่ยนะถ้าว่าผูดด้ใดไม่ได้มาไม่ได้มาวัดหลวงพอ่อไม่ได้มาทําบุญวันเกิดหลวงพ่อจะเข้าไปเจ้าลำลึกถึงเข้าไปเจ้าจะเป็นคนดีเข้าไปเจ้าจะรักษาศีลห้ามีคนแสดงความจำนงมาแล้วเมื่อวานนี่หลวงพ่อให้พผมติดประชุมอย่างหนักเลยผมไปวัดไม่ได้ แต่ผมก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าถ้าหฮว่าผู้ใดไม่มาให้รักษาศีลห้าแทนผมจะรักษาศีลห้าครับทั้งแม่บ้านพ้น ผ, ผมด้วยทั้งผมด้วยผมจะรักษาศีลห้าหลวงพ่อเพียงได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็โอ้ดีอุ่นใจ เ, เพราะว่าล้ำลึกถึงคุณงามความดีแต่ถึงผู้ใดหลวงพ่อก็บอกว่าถึงผู้ใดมาอยู่ใกล้หลวงพ่อก็เถอะ มาเป็นขโมยโผยโจรมาลังแกเบียดเบียนจิตใจเป็นอกุศลหลวงพ่อว่าถึงจะมาอยู่ใกล้ก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษอีกต่างหากอันนี้ไม่น่าจะมีนะลูกหลานนะผู้ใดมาใกล้หลวงพ่อนะเนี่ยหลวงพ่ อ, อ, อแผ่นดินจุดนี้หลวงพ่อภาวนาไม่เคยขาดเลย เ, เมตตากรุณามุติตาให้แก่พี่น้องลูกหลานทุกคนหลวงพ่อภาวนา ให้ลูกหลานร่มเย็นเป็นสุ ข, สขกายสุขใจผู้ใดเข้ามาก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความประสบอายุวันนะสุขะภาระร่ารวยโชคดีหลวงพ่อมีถแผาเมตตาอยู่อย่างนั้นตลอดเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานเข้ามาสู่วัดอของหลวงพ่อดินแดนแห่งนี้ให้ตั้งตนเป็นคนดีนะลูกหลานเนอะสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะ่ย อ, อย่าคิดอยา่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้น ถ้าว่าพวกเราทำไปแล้วมันจะเดือดร้อนตนเองนั่นแหละให้ประกอบคุณงามความดีนี่แหละเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็ดีใจแล้วนะถ้าไม่ได้มาก็ให้มีศีลห้านะถ้ามาแล้วผู้ที่มาก็ให้มีศีลห้าอีกเหมือนกันนะถ้ามีศีลห้าทั้งผู้อยู่ทั้งผู้มาและผู้ไม่มานะวันเกิดของหลวงพ่อหนะลวงพ่อจะปริ่ม ในจิตในใจลึกๆทีเดียวเลยพอ่อหลว ง, งพอ่อมีแต่บอกกล่าวลูกหลานให้เป็นคนดีให้เป็นคนดีให้มีคุณมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีๆนูนลูกหลานเนอะบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขตัวเองนะั่นะเป็นสุขเป็นอันดับแรกถ้าตัวเองทำดีแล้วผู้เกี่ยวข้องก็สบายอกสบายใจไปด้วยแต่ถ้าตัวเองทำไม่ดีเตัวเองก็เดือดร้อน ผู้อยู่ใกล้ๆก็เดือดร้อนเอ่อญาติโก้นีโถติกาก็เดือดร้อนประเทศชาติก็เดือดร้อนไปหมดมหเพราะอะไรเพราะเอ่อออกไปจากพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นในพวกเราเป็นคนดีนับ1นึับนับหนึ่งจะกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีครเอพอพรนับหนึ่งแล้วคนที่2ก็ดีคนที่สก็ ด, กดีต่อไปก็ดีไปเรื่อยๆแหละทจนีนนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนั่นนะีเนอ